อ้าใครมีอะไรเชิญวันนี้เชิญส่งกันบ้านไมโครโฟนอยู่ไหนอ้าตอนนี้ก็ภาวนาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็มีคนใกล้ๆตัวอยู่ที่บ้านเป็นเป็นที่ฝึกอย่างดีเวลาจะพูดกับเขาก็จะรู้สึกนี่มาแล้วมันมันจะงดหงิดก็ก็จะรู้เร็วขึ้นนะคะแต่ก่อนก็จะปล่อยตามสบายหงดหงิดก็หงดหงิดเลยค่ะหลัง น, นันก็เรื่อยๆค่ะ คือถ้าเราการที่เราต้องไปเจอคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือคนที่ไม่ถูกใจบางทีดีนะแต่เราไม่ถูกใจคือเราอาจจะเป็นคนไม่ดีไงไเจอคนดีเราไม่ถูกใจเจออนิจฐานลมส่วนมากมันเป็นผลของอกุศลให้ผลมางั้นอย่าไปปฏิเสธมันถ้าเราต้องเผชิญกับปรากฏการใดๆแล้วใจเราปฏิเสธใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมา เราอย่าไปหวังว่าคนอื่นจะเปลี่ยนได้เพราะตัวเราเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยมีใครเปลี่ยนตัวเองได้จริงไหมไม่ไมีะง <laughs> ั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นถ้าทำใจอย่างนี้นะเราก็แก้ปัญหาที่ใจเราอยู่กับใครก็ได้แต่หลวงพ่อบอกให้อย่างนะเราเวลาเราอยู่กับคนซึ่งก่อความทุกข์ให้เราเนี้ย เราภาวนาได้กระชับกระเิงภาวนาได้สบายกว่าอยู่กับคนที่เรามีความสุขนะมันจะพากันเพลิน <c oughs> มาจากไหนคนนี้เบอร์เจ็ดเคยมาไหมขนมชั้นเลยคะ่ะหลวงพ่ออ๋อ <c oughs> ค่อยฝึกนะ <c oughs> อดทนนิดนึงของเก่าที่ฝึกมามันไม่ใช่ <c oughs> ใจมันยังไม่ตื่นชิดมากไปปว <c oughs> ดหัวมากเลยค่ะออช่วงหลังจากนั้นมามชิดมากนะ ธรร ม, มาจริงๆนะมันของง่ายแต่ก็ติดนิ่งอยู่นะฮะหลวงพ่อดูให้ดีน ะ, <ฮ>ะใจเราเกิดความอยากเกิดอะไรขึ้นมาน ะ, <ฮ>ะทำไมมันต้องไปติดนิ่งมันต้องบังคับตัวเองมันอยากจะดีะมันอยากดีให้รู้ทันมันน ะ, ะเนี่ยเผลออีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม ใจมันจะไหลแวบบแวบบแวบบให้คอยรู้เอานะคอยรู้เอาเนีย่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมเนีย่ยพยายามจะสังเกตมันทราบไหมเฮ้ยไม่ดูเลยมันใช่ใช่ไปก่อน <c oughs> เรียนกับหลวงพ่อทนทนหน่อยนะลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นเก่าๆที่มันแข็งแขงอะถูกหลวงพ่อทุบมาเยอะแล้ว ทุบจนนวมแล้วน่วมอีกถ้าเรียนแบบโอ้ประครบปรงมไปโอ้โอไปเลื่อยนะบางคนก็ต้องอย่างนั้นบางคนทุบไม่ได้นะทุบแล้วเละเลยบางคนก็ต้องประครับประคองบางคนต้องทุบเอาพูดดีๆไม่ได้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมยังตั้งใจอยู่รู้สึกไหมเลิกสิรู้สึกเราก็เลิกตั้งใจเอามือลง นั่งให้สบายทำตัวให้มันสบายๆเนี่ยเริ่มบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมถหลัำลงไปดูแล้วรู้ไหมทรงใจไปดูอย่าทรงใจไปดูเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปวดหัวตายก็จากครั้งก่อนนะคะที่หลวงพ่อบอกค่ะก็ไปสังเกตดูตอนนี้ก็จะส่วนมากเลยนะคะก็จะเหมือนตอนนี้ก็คือมันจะ เบาสบายแต่ไม่ไม่รู้สึกว่าดึงเอาไว้คือถ้าเกิดมันตั้งเอาไว้ก็ก็ไปรู้ว่ามันตั้งเอาไว้เท่านั้นเองก็ดีแล้วก็ อ, อรู้สึกว่าเผลอเผลอบ่อยขึ้นนะคะดีตอนนี้ใ จ, <ต>ใจเกินจริงรู้สึกไหมเกินมาสักคั้แล้วคะ่ะนะเป็นอย่างนี้มันเป็นโรคกลัวใหม่แต่ว่าถ้าแต่ถ้าเกินจริงเนี่ยพอถ้าเกิด ช่วงที่ไม่ใช่อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะลงกว่าดีนิดนึงแต่มันก็จะสว่างสว่างอย่างเงี้ยค่ะใจโล่งๆใจเบาๆหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกินจริงที่ไปคิดจะครั้งก่อนค่ะหลวงพ่อบอกว่าอย่าดึงมันเอาไว้หรือว่าไม่ดึงมันไม่ไม่รู้สึกว่ามันดึงเอาไว้ค่ะมันเป็นของมันมันพอรู้ตัวปุ๊บมันก็เข้ามาสว่างมันยังประคองไว้ยังประคองไม่เลิกนะแต่ว่าดีขึ้นเยอะละ ให้ได้อับหญิงมันมีตัวนิ่งๆแอบๆอยู่อะคะ่ะหลวงพ่ อ, อดีที่เห็นนะหญิงตัวนิ่งๆแอบๆไว้แล้วก็ดูไป <c oughs> มันตัวรักดีตัวรักดีกดหามจัวจัวหนักนะรู้สึกไห่ใจเราเราไม่ได้ปล่อยมันค่ะ<า> <c oughs> เป็นคือกลัวรู้สึกว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วมันหายไปเลยอะค่ะหลวงพ่อเราต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่ง นะเช่นเราอยู่กับพุโทโธก็ไดนะ้เสร็จแล้วเราปล่อยนะเราปล่อยแต่เรามีเครื่องอยู่นะปล่อยแล้วก็ใจเราก็จะเผลอไปแต่ว่าเราหัดพุดโทโธไว้จนชินนะเดี๋ยวมันจะพุโทโธเองนะมันจะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้ากลัวจะหนีไปเราประคองไว้มันไม่พัฒนานะมันกลัวมากไปมันคล้ายๆจะทําธุรกิจแต่ไม่กล้าลงทุนนะ่นะไม่รวยขึ้นแน่ใช่ไหม อาจจะกินทุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปลงทุนมีความเสี่ยงเห็นมมีความเสี่ยงอาจจะขาดทุนหรือหักจะกาไรก็ได้การภาวนาเหมือนกันนะถ้าเราทำแต่สมถะเราประครองลูกเดียวเนี่ยเหมือนกับไม่ขาดทุนแต่ไม่กาไรแนะ่แตพอเราปล่อยแล้วใจเราหลงไปเนี่ยตรงนี้เหมือนการลงทุนละถัดจากนั้นสติเกิดถ้าก็ได้กาไร หลงไปยาวเป็นวันเป็นเดือนนะขาดทุนขาดทุนยิ่งกว่าทําสมาธิอยู่เฉยเหมือนทําธุรกิจเลยนะตัวนี้ธรรมะแบบนักธุรกิจเพราะนอยา ก, กลัวกลัวขาดทุนจนกระทั่งประคองไว้เรื่อยๆไม่ยอมปล่อยใจถึงถึงนะจังหวะนี้ควรปล่อยแล้วก็ปล่อยของหญิงหน้าตามรู้ได้แล้วไปรู้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกลัวหลงหรอกเราอยู่กันสองคนถ้าหลงเราคอยเตือนกันอย่าโมโหกันก็แล้วกันเนี่ยว่าคุ้นหลงคุณก็หลงเหมือนกันเดี๋ยอยู่กันไม่ไหวนะช่วยกันนะช่วยกันอรัตไม่ไม่ดีไม่ไม่ดีมากแต่ไม่เร็วกับอะไรนะก็ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรครับก็ยังมีเพ่งยงมีกังวลอยู่แต่ว่าก็ตอนที่มันดีมันก็ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ ไม่ไม่เพ่งมากกว่าเมื่อก่อนมันเกินจริงอยู่หน่อยนึงครับร บ, บางทีเราเราครัวไม่ดีครัวไม่ดีมันจะเกินจริงรการปรุงแต่งฝ่ายดีนี่เป็นเรื่องของคนดีการปรุงแต่งฝ่ายดีรากเงาของมันก็คือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากให้ได้มรรคผลนิพพา น, นมีตัวเราจะได้มรรคผลนิพพานมีเราด้วยนะแล้วก็มีความอยากอยากให้ดี มีความมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยเพราะอาวิชชาไม่เห็นว่าจริงๆไม่มีเราัมนมีอวิชชาก็เลยเกิดตัณหาเกิดอยากอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันรู้แจ้งอย่างนี้นะดีละสองคนนะใช้ได้แม่เก่งนะแม่นะ่ะเป็นธรรมชาติกว่าลูกชายอยีกดีบางทีนะบางคนพาพ่อมาพ่อพามาเคยมีอยู่สวนโพพ่อขับแท็กซี่นะ ลูกอยากมานะเกตเข็นพ่อขับแท็กซี่มามาถึงนะลูกตั้งใจฟังฟังทุกคำพูดของหลวงพ่อไม่ให้คลาดเคลื่อนจะจำให้หมดนะส่วนพ่อชมนกชมไม้ฟังเล่นๆ น, นะถึงจุดหนึ่งนะพ่อหันไปดูพระพุทธรูปตอนนั้นตั้งอยู่ตานนี้พระดำๆหล้ยังไม่ได้ปิดท้องพ่อบวยวายเลยเฮ้ยผมเห็นแล้วจิตผมวิ่งไปอยู่ที่พระเนะี่ยตอนนี้อ้าววิ่งไปที่นี่อีกแล้วลูกนะงงเลย คนที่ไม่ได้ตั้งใจเวลาฟังธรรมนะฟังด้วยใจสบายๆจะแอบสอบเร็วรู้ได้เร็วถ้าตั้งใจฟังมากแหมกลัวจะคลาดเคลื่อนเห็นไหมใจมีความกางังวลฟังด้วยใจที่กงังวลไม่ใช่ใจที่เปิดกว้างนะนนเราทําใจสบายๆค่อยรู้ไปมันเป็นเองอะครับทำไงดีมันอยากดี <laughs> เราก็ค่อยรู้นะค่อยรู้ตัวเอง จริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้ตัวเองการทำกรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆพอวันหนึ่งเราก็เข้าใจแล้วไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองจีลัเห็นแล้วใช่ไหมทำงานได้เองอ่ะเก่งคนนี้ต้องพูดห่างๆนะเสียงดังไม่แน่ใจว่าจะส่งอะไรดีครับอที่<อ>ทำมานี้มันถูกอยู่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าอาทิตย์นี้มัน มันดีผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับขณะนี้บะขณะนี้มีโมหะแล้วเมื่อสักครู่ครับเมื่อสักครู่ดีกว่านี้ก็เลยสงสัยเพราะว่าจริงๆคือตลอดอาทิตย์มันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนตอนเนี้ไม่ใช่ครับเหมือนเมื่อก่อนเราที่นี้สงสัยว่าเหมือนแบบมันมันรู้สึกว่ามันก็ดีแต่มันไม่เห็นรู้อะไรเลยมันบางทีถ้ามันดีบ้างไม่ดีบ้างมันจะมีความรู้อะไรขึ้นมา คืออย่างนี้การปฏิบัติเนี่ยนะทีแรกเราก็เห็นค um. วามปรุงแต่งไปก่อนเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลนะกุศลเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะเห็นไปเลยทีแรกเห็นแล้วใจไม่เป็นกลางใจยังไม่เป็นกลางเห็นสุขเห็นดีก็ชอบเห็นทุกข์เห็นไม่ดีก็ไม่ชอบเนี่ยพอใจอไม่เป็นกลางใจดิ้นใจดิ้นให้รู้ว่าใจดิ้นนี่พอรู้ทันต่อไปใจไม่ดิ้นใจจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้น อย่างพอเราใจลอยไปปุ๊บเนี่ยคนทั่วๆไปพอใจลอยปุ๊บนะพอรู้ว่าใจเราจะดึงละกลัวไม่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราภาวนาจนกระทั่งเราเป็นกลางกับความใจลอยเราเห็นใจลอยปุ๊บเราไม่ดึงเลยนะมันรู้อยู่แค่นั้นเองมันจะค่อยๆปรับตัวเข้าที่มันเองจะมาเป็นกลางกลางเองนี่พอเราจะปรับจิตมันปรับตัวเข้ามาสู่ความเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางเนี่ยมากเข้ามากเข้ามันจะจําตรงนี้ได้เป็นที่เก่งเป็น มันนีมาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะมันเลยไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วอยู่มันตรงนี้แหละนะแต่อยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขเดีนะ๋ยวใจมันจะว่าโล่งโลงว่างๆนะหลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าแยกรูปถอดนะก็ถึงความว่างนะแยกความว่างเพื่อความว่างไปถึงมหาสุญญตานะตอนนี้เราแยกความปรุงแต่งออกไปเราเห็นแล้วอันนี้ความปรุงแต่งไม่ใช่จิตนี่ความปรุงแต่งไม่ใช่จิตนะแยกไปจนจิตไม่ปรุงอะไรจิตอยู่เฉย ตรงที่จิตอยู่เฉยๆนี่แหละจิตปรุงความเฉยๆอยู่จิตยังปรุงความเฉยๆอันนี้อยู่ให้รู้ตรงนี้ไปอีกใจเราเกิดความยินดีพอใจให้รู้ทันอีกใจเราเกิดลังเลสงสัยให้รู้ทันอีกให้รู้ลงไปอีกจนกระทั่งใจเป็นกลางกับความเฉยๆความว่างๆนี้อีกนะแต่อย่าประคองให้เฉยนะไอ้ตัวเนี้ยเฉยเพราะไปประคองไว ไ่เฉยเห็นความว่างและวลยไ ป, ประคองไว้กับความว่างคองปล่อยปล่อยใจถึงถึงหน่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหลวไหลนะหปปล่อยการบังคับบังคับจิตจริ ง, รงๆแิ้แมมันสุดง่ายเลยนะที่หลวงปู่ดูลพูดแต่ละคำนะแต่ทำหลายปีพูดสั้นๆเคยมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่หลวงพ่อคืนหลวงปู่ดูลสอนอะไรเนี้ยสั้นๆ หลวงปู่สอนเอาแต่ได้ใครจะทําได้อ่ะว่าท่านต่อหน้าเลยนะอย่างหลวงปู่สอนเอาแต่ได้ใครจะทําได้อ่ะให้ปล่อยวางอะไรเยอะนะท่านสอนง่ายๆนะแยกรูปถอดสังเกตไหมอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนีน่ยมันถอดออกมาจากความว่างๆที่แรกมันไม่มีอะไรมันว่างๆใช่ไหมอยู่ย ม, มันมีอะไรถอดออกมาถอดออกมาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นกุศลอกุศลเลยให้เรารู้ไป รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ปรุงต่อเนยะถึงจุดหนึ่งมันจะว่างพอว่างแล้วก็รู้ความว่างด้วยใจที่เป็นกลางไปไม่ปรุงต่ออีกพอไม่ปรุงต่อนะก็จะผ่านไปได้ปล่อยวางความยึดถือในความว่างตัวนี้ว่างตัวนี้ไม่ใช่มหาสุญญตาท่านถึงบอกว่าแยกรูปถอดนะถึงความว่างแยกความว่างเพื่อความว่างไปถึงมหาสุญญตาคือทำแท้ๆ ท, ทำแท้ๆ ท, ที่ไม่เกาะเกี่ยวกับทั้งความไม่มีอะไร เพราะงั้นใจของเรายินดีในความบ้างเราก็รู้ใจของเราลังเลสงสัยว่าจะเอายังไงดีรู้ว่าลังเลไปเลยอ่ะนุ่นสลับบ้างวันนี้มาแปลกแปกเลยรัาคุณมนก็ได้ครับคุณมนหมดความคาดหวังแล้วอ่ะ ตอนเช้าตื่นมามันโมหะเยอะมากเลยค่ะพอเปิดเสียงหลวงพ่อไปพอฟังถูกใจหัวเราะมันก็โมหะก็หายไปอืนี่พอมาเตรียมอาหารนะคะก็จะเห็นแบบมันถลําไปนานมากเลยคะ่ะมันก็ช่างมันเห็บ อ, อยากจะถลมก็เรื่องของมันอพอไม่รู้วิ่ชีนะคะใจเป็นกลางมันก็ค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ใจเราหลงไปหรือใจไม่ดีอะไรเนี้ยนะอย่าไปดึงมา พอดีมันไม่มีแรงจะสู้กับมันด้วยค่ะเมือ่อวานมันมีแรงมันก็ดิ้นดินดินวันนี้มันไม่มีแรงมันก็ชักมันเหอะเออนั่นแหละมันก็สบายขึ้นภาวนานะจนกระทั่งโดนกิเลสเนี่ยซ้อมเอาต้อนเอา ช, ซชกซ้ายชกขวาจนหลังชนกําแพงไม่มีปัญญาสู้ละพอไม่ีปัญญาสู้ใจเราจะไปยอมใจเรายอมแล้จะเข้าถึงธรรมเนี่ยทุกขั้นทุกตอนเลยนะถ้าเมื่อไหร่ยังรู้สึกพอสู้ได้เนี่ยนะยังจะสู้อยู่ ขอนอนวั่งตรงนี้นะคะมันก็เห็นมีมีโมหะหน่อยๆตอนแรกๆนะคะแต่ตรงนั้นมันมีความเบิกบานด้วยเหมือนกับเห็นโมหะแล้วนะสบายใจแต่รู้สึกไม่ใจเกินจริงค่ะประคองไว้นิดนึงเพราะว่าพอพอเขาเริ่มจับไมร์ใช่ไหมคะมันก็เริ่มรักษาสภาวะไว้กลัวการบ้านที่เตรียมจะส่งมันเปลี่ยนไปไงฮะก็ก็มองเห็นว่าที่แล้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทันทีที่อยากจะรักษาใช่ค่ะก็เห็นการประคองไว้เรื่อยๆพอหลวงพ่อเลี้ยวไปข้างหลัง เอาละโอ้อีกนานเดี๋ยวสภาวะมันจะเปลี่ยนคือกังวลว่าอยากรายงานอันเดิมค่ะเพราะว่ารักษามานานแล้วหมดเลย <laughs> แต่มองเห็นไงฮะ ม, มองเห็นพรหลวงพ่อสอนไม่ใช่คุณมลคนเดียวนะหลายคนเลยอะบางคนวันนี้จิต ด, ดีๆนะประคองมาตั้งแต่บ้านเลย <laughs> อยากให้เอาหน้าใสๆามาวดหลวงพ่อพอมาถึง น, นหน้าหงิกไปแล้ว ยคือเตรียมการบ้านไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันก็ขี้เกียจทําการบ้านใหม่ไงฮะมันก็จะเอาอันเดิมส่งเอารู้ปัจจุบันนะปัจจุบันที่พอนั่งนั่งพระหลวงพ่อสอนนะมันก็เห็นจิตวิ่งไปถึอหลวงพ่อนกหายไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกวันนี้มันกลางมากกว่าเมื่อวานนะคะดีวันนี้ดีกว่าเมื่อวานคุณวุฒิจะใช้ได้ละวันนี้ดีกว่าเมื่อวานกันไม่ต้องส่งก็ใช่ไม่ต้องส่งอ่ะคุณตง สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีความรู้สึกหนักๆในใจนะครับก็ส่งเข้าไปดูว่ามันเบื้องหลังการถ่ายทํามันคืออะไรก็พอทราบแล้วก็มันก็ยังไม่หายนะครับก็รู้สึกวันนี้น้า ม, มืดมาครับก็หวังจะได้มาที่นี่ทีไรมันก็จะรู้สึกรู้สึกสบายขึ้นนะครับก็คือไม่ดีก็ได้นะใจถึงๆหน่อยเรากลัวไม่ดีมากไป ความไม่ดีหรือกระทั่งกิเลสนะั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่าไปกลัวมันความกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมาไล่ต้อนเราให้ย่าแย่ความจริงกิเลสเกิดขึ้นมาต้อนเราให้ย่ําแย่ก็ได้นะแต่ถ้าเราฉลาดเราคลิกตรงเนี้ยเป็นโอกาสได้เราจะเห็นเลยว่ากิเลสเองหรือจิตเองเนี่ยไม่ใช่เราหรอกกิเลสจะมาเขาก็มาเราบังคับเขาไม่ได้หนไ นขณะที่กิเลสมานะถ้าเรามองเป็นเนี่ยกิเลสแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นแลคือแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นะอย่าไปกลัวมันเลยนะอะไรๆเกิดขึ้นก็อย่าไปกงังวลดูลูกเดียวตอนนี้กัตตะกี้ก็ไม่เหมือนกันดูออกไหมครับแล้วไงอีกอยากถามคําถามนึงครับคือเหตุที่ทําให้เกิดสัมมัตทิฏฐิคืออะไรครับ ก็มีโยนิโสมนสิการนะมีกาลยานามิตรนะโยได้สัมมาทิฏฐิโยนิโสมนสิการคือเราแยบขายในการสังเกตอย่างเราเห็นกิเลสเราก็เกลียดมันทุกทีนะดูไปดูไปกิเลสจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วก็ชักแยบขายแนละ้งั้นความแยบขายเนี่ยเรารู้จักสังเกตมันให้ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สังเกตนอกรู้นอ ก, ก, นอกทางไป ถ้าโยนิโสมนัสิการจริงๆนะมันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางทีเราก็จะสังเกตดูว่าตัวนี้มันเป็นอะไรนะมันมาได้ยังไงมันเพราะอะไรค่อยๆดูไปดูอย่างใจเย็นๆไม่ใช่คิดนะคิดเราฟุงา้งซ่านดูแบบมีสภาวะรองรับไปเรื่อยๆในสุดเราก็จะเข้าใจความจริงอย่างเราดูจิตใจเราเอ๊ะวันนี้ก็ดีๆอยู่ๆอยู่ๆฉับพลันไม่ดีอะไรเงี้ยดูเราดูไปเอ๊ะทไมมันไม่ดีนะอันนี้ไม่มีโยนิโสมนสิกาล ถ้ามีโยนิโสเนะี่ย ม, มันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูนะนี่แสดงความเป็นใจรักษณ์บังคับไม่ได้ให้เราดูนะอันหนึ่งคือกัลยาณมิตรเราอยู่กับผู้มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิถ้าเราอยู่กับพวกมิจฉาทิฏฐิเราก็จะได้มิจฉาทิฏฐิมางั้นอาศัยโยนิโสมนสิการ์แต่โยนิโสมนสิการจะเกิดได้เนี่ยต้องได้ฟังธรรมมาแล้วจนะกระทั่งเราสามารถมองอะไรในมุมมองที่พระพุทธเจ้าสอน เช่นมองทุกอย่างอย่างวิพัตแบบจำแนกหรือมองสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นตร ล, ลักษณ์อเงี้ยมองตรงมองอยู่ในถูกหลักของอริยศาสตร์อย่างค่อยค่อยประคองอาศัยการที่ได้เรียนรู้มาแล้วมีโยนิโศประคองตัวไปั้นถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนะโยนิโศมนาสิกาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพวกเราลำพังพวกเราเองเนี่ยอาศัยโยนิโสมนสิกาเนี่ย ไปไม่ถึงที่สุดหรอกโยนิโสเองไม่ได้มันได้แค่มานาสิการได้มนิสิการก็พิจารณาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะโยนิโสมานาสิการมันเกิดได้เพราะเคยฟังธทำมาแล้วคืมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนนะเช่นยกตัวอย่างหลวงพ่อเคยเป็นที่อยู่ในความว่างใจว่างไปหมดลว้วันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างเฉลอยจินะิพานแต่ว่าเราไม่ใช่งมงงาย เราค่อยๆดูของเราไปไม่รีบร้อนว่าเป็นพธาตุหันนะธาตุหันอะไรยังสงสัยว่านิพานหรือไม่นิพานเนี้ยนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปวันหนึ่งจะเห็นตัวผู้รู้นีหมองได้หน่อยหน่อยไม่ใช่ละไม่ใช่เราก็ต้องมาสังเกตต่อเอ๊ะทำไมแล้วเราไปพลาดตรงไหนค่อยสังเกตดูไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นความแยบคายในการที่จะสังเกตตัวเองนะไม่ใช่ดูแบบซื้อบือ้อ ดูแบบใช้สติใช้ปัญญาใช้การสังเกตตัวนี้สําคัญถ้าขาดโยนิโสมันนั่สิการน์นเดินยากที่สุดเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันมีแสงเงินแสงทองขึ้นก่อนใช่ไหมมีแรกแสงเงินก่อนฟ้าจะขาวๆต่อมาก็เป็นแสงทองฟ้าจะเริ่มแดงๆถ้ามีแสงเงินแสงทองขึ้ น, นก็เป็นบุพณิมิตเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กําลังจะมา บกกลยานามิตรเนี่ยเป็นเครื่องหมายแรกเป็นบุพนิมิตของอริยมรคอีกที่หนึ่งก็สอนนะโยนิโสมานสิการเป็นบุพนิมิตของอริยมรตนี่พวกเราก็อาศัยกลยานามิตรครูบาอาจารย์เราฟังทำฟังแล้วแค่นี้ไม่พอเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องมีโยนิโสนหลวงพ่อผ่านมาได้ด้วยโยนิโสนะหลวงพ่อไม่ได้ไปเกาะแข้งเกาะขาอาจารย์อยู่เลย ไปเรียนจากหลงปู่ดูลเนี่ยสองครั้งเองเรียนสองครั้งเองครั้งที่3ไปกราบท่านท่านบอกไม่ต้องมาแล้วให้ไปช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมาหาท่านเวลาที่เหลือเนี่ยสังเกตแต่ไม่ใช่สังเกตจนฟุง้งซ่านตัวนี้แม่ความพอดีของมันนี่ยากที่สุดที่จะเข้าใจนะคำว่าโยนิโสมนานัสิกานะแปลยา่าถ้าแปลแบบปริยัตใช่ไหมเหมือนเป็นการพิจารณาอย่างแยบคลาย หาเหตุหาผลจนรู้เหตุรู้ผลรู้สภาวะรู้สิ่งต่างๆคล้ายๆการคิดแต่ความจริงแล้วมันเป็นคํากึ่งๆคิดกึ่งๆสังเกตมันคล้ายๆการวางใจให้ถูกมุมเหมือนกับการวางใจให้ถูกมุมมนานสิกานะมนานสิการเป็นการวางใจนะวางใจให้ถูกแ ง, ถกง่ถูกมุมมองให้ถูกมุมเช่นจิตไม่ดีทุกวันเลยทํายังไงจะดีนะนี่มองไม่ถูกมุมลนะ้ มองถูกมุมก็จิตมันไม่ใช่เราเนี่ยบังคับให้มันดีไม่ได้มองถูกมุมแล้วนั้นภาษามนุษย์บางทีถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดสภาวะยากหนึ่งโยนิโสรเนี่ยถ่ายทอดยากมากเลยค่อยๆค่อยๆดูสังเกตยังไงถูกยังไงผิดแต่เดิมทีแรกก่อนจะสังเกตทีแรกนะมันจะสังเกตก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนจิตของบางคนนะแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับไปพอใจแค่นี้นะ่ะ บางคนไม่พอใจต้องรู้เยอะกว่านี้อีกนี่มันอะไรนะถ้ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั้นจะเคล้าเคลียวนเวียนกลับมาศึกษาอยู่อย่างเงี้ยเวียนอยู่เงี้ยพอเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วจะเริ่มสงสัยต่อที่มันมาทําอะไรของมันมันมีบทบาทอะไรจะเวียนไปศึกษาบทบาทหน้าที่ของมันแลมันมีอิทธิพลยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําอะไรได้บ้างแค่นี้ยังไม่พอใจสุดท้ายมันมาได้ยังไงมันมาได้ไง เอ้ตัวสภาวะอันนี้เกิดได้ยังไงใจจะไปค้นคน้คนนะพอแจ้งติ้งอ๋อพอเี้ยเองนะรู้แจ้งแล้วอันนี้ไม่สนใจละตัวนี้มาก็เห็นยอมเห็นมาเกิดระดับเกิดระดับเนี่ยบางคนมันเหนื่อยนะบางคนเห็นง่ายๆก็ยอมแล้วทุกอย่างเกิดระดับยอมแล้วบางคนไม่ได้มันต้องค้นกว้าสิ่งที่ค้นมานะจะเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลัคนาทิจจตุกะสี่อย่างนะองค์ประกอบสี่อย่าง ของสภาวะรมแต่และอย่างแต่และอย่างองค์ประกอบ4อย่างซึ่งมีลักษณะเป็นเบื้องต้นลักษณะก็คือมันมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงที่เรียกวิเศษลักษณะนะเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองความโลภหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนี่ลักษณะลักษณะที่จตุกะตัวที่หนึ่งนะความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทําหน้าที่อะไรนี่หน้าที่แผดเผากิเลสนะให้แผดเผาจิตให้เล่าร้อนอยากทําลายอยากคลักเนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วทํามีผลยังไงพอมันทํางานได้แล้วมันมีผลยังไงสุดท้ายทําไมมันถึงเกิดเนี่ยถ้าแหมค่ายควรมากนะอย่างนี้ก็โยนีิสว์เยอะไปเหนือหน่อยเหนื่อยแต่บางคนมันต้องทํามันต้องทำํำถ้าไม่ทําใจไม่ผ่านเะนีย่ยเวียนกลับมาพิจารณาเนี่ยหลวงพ่อนะเป็นคนชนิดเนี้ยชนิดหลังเนี่ยอะไรอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่มีปล่อยให้ผ่านนะพ้นกว่าพิจารณาอยู่นะั้น มาถึงวันนี้มันเลยได้ใช้ไนหะใครมาถามอะไรที่ผิดๆนะเคยผ่านมาแล้วแทบทั้งนั้นนะ่ะน้อยนะน้อยมากเลยที่ว่าพวกเราถามแนะล้วหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่เคยเห็นนะไอ้ที่มันไม่เอาไหนนะมันผ่านมาเยอะอ่ะ <c oughs> มันลองผิดมาเยอะนะลองถูกไม่มีหรอกพอหยุดลองเลยถูกเลยอะ่ะใครถึงไหนเอา้าเอาบ้างไหมคุณจีพันพาจาจริงๆหนูไม่ค่อยอยากจะ กาบเรียนใส่ใหม่ไม่ใช่หนูหวงความรู้ตัวเองอแต่มันมันก็จะตกล้องแบบคนปกติทั่วไปพอเราทำได้ถูกเนี่ยเราก็ยินดีใช่ไหมคะแล้วเราก็แบกหามันไว้พอเราทำผิดเราก็รู้เศร้าใจก็แบกหามันไวน้ที่คำถามของหนูก็คือจากที่เมื่อวานพาจาร์บอกกับหนูว่าหนูว่าต้องไปฝึกเองอะ ทีนี้คําพูดแบบเนี้ยเวลาหนูพูดกับนักเรียนหนูไม่ได้แบบคิดไม่ดีกับพระเจ้านะคะถ้าหนูเห็นว่ารุสิคนไหนฉลาดเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ก้าวร้าวเนี่ยหนูใช่มันไปฝึกเองไงฮะนีห่หนูก็เลยโมนี่เรามันแย่มากขนาดน่ะให้เราไปฝึกเองหรือเปล่าไม่ใช่ตวามจริงหลวงพ่อก็บอกให้นะเมื่อวานไม่ได้บอกให้ไปฝึกเองอย่างเดียวอบอกอย่างอื่นด้วยรู้เปล่า รู้ไหมว่าจิตของเราเนี่ยไม่ธรรมดาค<ะ>่ะแล้วบอกเนี่ยไปฝึกเอาเองไปดูเอานะไม่ใช่ไม่บอกน ะ, ะนี่บางคนนะบางคนเนี่ยถ้าบอกให้ละเอียดเนี่ยไม่ยอมจะต้องไปสังเกตเองของคียพันเนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้อันหนึ่งนะทำอะไรก็ได้นะให้กลับไปเหมือนคนทั่วไป เพราะว่าพบอันนี้ที่ประณีตเนี่ยนนะที่ละเอียดเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมามันประณีตมากขนาดแบบได้ยินเสียงใครเนี่ยเขาไม่ต้องบอกจุดประสงค์เนี่ย ม, มันก็ซึมเข้ามาหาได้แหละไม่เอาเลยนะเออโยนมันทิ้งไปมันไม่มีความเคยชินไงคะพอมันตกล็อกมันก็เข้าทางเนี้ยเพราะว่าจิตของเราเนี่ย ม, ม, มันมาเกยตื้นเข้าใจไหมอันนี้เป็นการเคยตื้นอย่างหนึ่ง เป็นเกิดตื้นอยู่ในภพที่ประณีตที่เราสร้างขึ้นมา น, ะ น, นี้ต้องสังเกตเองค่อยๆสังเกตไปใจของเราจีพันใช้วิธีนี้ดูใจของเราดูใจของคนที่ภาวนาไม่เป็นดูไปเรื่อยนะทำไมมันมีความต่างาทำไงใจเราจะภาวนาไม่เป็นเหมือนเขาแล้วทีนี้มัน <c oughs> เขาเรียกว่าสูงสุดกลับสู่สามมันใช่ผ้ <c oughs> าชานคะ่ะแล้วมันมันก็มีประเด็นนี้อีกคะ่ะที่แบบ หนูเคยกาบเรียนแล้วะอย่างตอนที่หนูอยู่สวนโพเนี่ยหนูเชมันตัดขาดตัดขาดกันแล้วหนูก็ง่ายโปรงสบายมากเลยชีวิตไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ทำได้แต่พอแบบมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยหนูว่าหนูว่าขังคุกตัวเองเลยใช่ใช่ออกมาออกมาจากคุกนะคือชีพันอนยะต้องอย่ารักดีมากนะักอย่ามุ่งเอาดีมากนะัก ไม่องนั้นมันจะคอยประคับประคองใจแล้วแล้วก็อย่าไปกลัวทุกข์มากนักเราเห็นไหมคนในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหม <Ha. S 2> เราเห็นนะอู้นี้ก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์นะเราก็สร้างกำแพงไว้กั้นไอ้พวกคนทุกข์ไว้ข้างนอกเหมือนาคนมีความทุกข์เนี่ยเรากั้นสร้างกำแพงขังเข้าไว้ขังไปขังมานะมันกลายเป็นคนส่วนมากขังไปขังมามันเลยกลายเป็นกำแพงขังเราไว้คนเดียวนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้กันเราออกจากคนที่มีความทุกข์เยอะแยะ ก็หนูมองอย่างนี้คะว่ามันมันต้องเป็นมุมมองถึงจะมีพฤติกรรมได้คะเพราะบางครั้งเนี่ยคนทั่วไปเขาไม่รู้ลิมิตที่เขาจะเข้ามาหาเราไงคะหนูรู้สึกไหมความรู้สึกเป็นเราของเราเนี้ยเข้มข้นดูตรงเนี้ยให้เยอะๆ อ, อห น, หนูหนูสังเกตเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วมันทําให้หนูนะคลายทุกข์มาได้เพราะว่าเมื่อเมื่อทุกครั้งที่หนูมีความคิดเมื่อนั้นหนูจะมีความทุกข์นะคะงั้นอย่าหนีความคิดนะไม่ใช่หนีความคิด มันจะคิดจิตเนี่ยมันมีหน้าที่คิดห้ามมันไม่ได้เหมือนดวงอาทิตย์มีหน้าที่ร้อนเนี่ยมีหน้าที่สว่างเนี่ยห้ามมันไม่ได้จิตมีหน้าที่คิดมันต้องคิดเราอย่าหนนะีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีแก้ทุกข์ด้วยการไปตัดความคิดให้ขาดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะแต่วิธีแห่งการแก้ทุกข์เนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายคิดขึ้นมามากมายอย่างการที่เราพยายามจะตัดใจของเราออกจากโลกข้างนอกนี่ก็เป็นวิธีทางอีกอันหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตดุจราชรสทรงของพระราชาให้ออกไปดูนะไม่ใช่ให้ว่าเออโลกนี้มันทุกข์เราก็สร้างกำแพงขังความทุกข์ที่แรกเราขังคนอื่นนะประกาว่าไอ้นี่มันทุกข์เรากั้นไว้ก่อไม่ให้มันมากระทบเราได้นี่มันกลายเป็นมวลชนส่วนมากเพราะคนทั้งโลกมันทุกข์น่ะกั้นไปกั้นมาเราไปกั้นตัวเองไว้ตอนที่พระอาจารย์อธิบายนะคะ ใจมันก็ไม่ได้แข็งเป็นก้อนนะคะมันก็เรียนรู้ที่มันจะอยู่แต่มันก็ยังไม่ชี้ทางมันไม่ใช่ทางนั่นที่จีพันเดินอยู่ยังไม่ใช่ทางมันเป็นทางซึ่งเราหามาด้วยตัวเองค่ะเนี่ยตัวเนี้ยต้องใจถึงถึงนะไปเรียนรู้ไปแล้วนี่ไม่ใช่ทางหรอกค่อยๆเรียนรู้<อ>ไปดูก็ทร้าค่ะมันไม่ชี้ทางอืมเพราะงั้นจะกลับมาสู่ทางทางนี้นะไม่หลงไปเพลิดเพลินไปไม่บังคับตัวเองไว้ชีพันบังคับตัวเองไว้ ใช่ค่ะนะกายเนะี่ยหนูไม่ได้บางแบบไ ม, ไม่ได้อะไรกับมันทิ้งมันง่ายมากแต่ว่ารู้สึกไหมพอเราบังคับที่ใจนะมันออกมาที่กายด้วยค่ะอย่านะงนใจถึงถึงนะเราเราไม่ได้เดินอยู่ในทางคือนเะมื่อก่อนที่หลวงพ่อไม่ค่อยจี้จีพันนะพาอจี้ไม่ได้เข้าใจไหมพ่อสอนไม่ได้ที่สอนไม่ได้เพราะอะไร เพาเจียพันจะมีความคิดว่าถ้าเจียพันออกมาเรียนธรรมะแบบคนทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวจิตเราจะไปปนเปื้อนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขาได้ยินไม่อยากให้เขาได้ฟังอย่าแยกตัวเองออกไปจากโลกนะกลับมาอยู่กับโลกมาเรียนรู้โลกอย่าหนีโลกเนี่ยรู้สึกไหมตอนนี้ไม่เหมือนตะ ก, กี้เนื่อยกลับออกมาอา้าวกลับเข้าไปอีกแล้วอ้าว ออกมาออกมาเออออกมาอย่างนี้นะอย่างนี้น่ารักนะจริงๆมันมันก็มีความทรมานนะคะโลกนี้นะมันทุกออกมาอยู่กับทุกนี่โอยมันก็กลับไปเนี่ยหนูจริงๆรหนูเห็นแบบเวลาลมหายใจเข้าออกนี่หนูมองดูหนูเห็นเลยนะคะก็มันไม่ใช่เออเนี่ยออกมาอยู่อย่างนี้ถึงจะใช่นะอยู่กับทุกแต่ที่วันเนี้ยหนูแบบขอพูดเนี่ยเพราะว่า หนูเชื่อว่าต้องมีคนแบบหนูอ่ ะ, อะมีนะแต่น้อยค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะรู้ว่า <c oughs> เขาก็ต้องทุกข์แบบเรา <c oughs> แต่หนูไม่แสวงหานะคะคือเราบางทีนะเรายึดมั่นในความเห็นของเรามาก น, นเราก็มีความคิดมีความเห็นว่าหน้าอย่างนี้ต้องดีอย่างนี้เหมาะสมกับเรานะอย่างนี้ไม่เหมาะกับเราหนูก็เลยมองว่าพระอาจารย์จะให้หนหูฝึกคนเดียวเนี่ย พอหนูไปฝึกคนเดียวพผ้าจาย์ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงอพอหนูกลับมาก็ไปฝึก <คน S 1> ไม่ใช่ฝึกคนเดียวหมายถึงไปอยู่คนเดียวคนละเรือ่องกันฝึกคนเดียวหมายถึงว่าเราสังเกตของเรานะสังเกต จ, จนเรารู้ว่าเราขังตัวเองไว้เมื่อวาหนหลวพ่อก็อุตส่าห์ให้กุญแจไปลูกหนึ่งนะบอกรู้สึกไหมเราสร้างอันนี้ขึ้นมาหนูรู้สึกตลอดนะฮะรู้สึกตลอดแล้วทําไมสร้างทำไมสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรากลัวทุก ใช่ค่ะเรากลัวความสกกัหลกด้วยเพราะว่าหนูรักใจหนูมากไม่อยากมันมีทุกข์นั่นแหละรักใจเรามากเห็นไหมเราห่วงแหนมากตัวนี้แหละคืออาวิชาล่ะงั้นเรียนรู้มันลงไปยารักมันมากอย่าไปห่วงแหนอย่าไปกลัวทุกข์เอามันลงมาเพื่อนขี้โคลนบ้างคือหนูนี่ค่ะแม้แต่ลมหายใจยังถนอมมันเลยหนูว่าสังเกตไม่เอานะให้มันทุกข์บ้างต้องรู้ทุกข์นะเกียรพัน เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือการรู้ทุกข์ไม่ใช่การหนีทุกข์ไม่ใช่การประคองใจให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นความปรุงแต่งเส้นทางที่ประคองตัวให้พ้นจากทุกข์พ้นจากความปรุงแต่งนี้เรียกว่าเส้นทางของอเนินชาพิสังขารเป็นเส้นทางที่หนีย อ, อกไปเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สซึ่งน้อยคนที่จะทำได้ต้องพวกฉลาดมากจริงๆนะคนที่ไม่ฉลาดเลยคนทั่วๆไปหมาแมวอะไรอย่างเงี้ย เส้นทางที่1ที่จะหาความสุขคือวิ่งเข้าไปคลุกกับโลกเส้นทางที่2นะก็คือการที่คอยควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเส้นทางที่สคือการหนีออกจากโลกเนี่ยจีพัน์ไปเลือกเส้นทางที่สเพราะงั้นให้เรียนรู้ตัวเองไปนะกลับมาเรียนรู้ตัวเองอีกแล้ว <laughs> เรียนรู้ตัวเองคือรู้ว่าตอนนี้เราติดอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าให้ไปอยู่คนเดียวในป่านะ เดี๋ยวใครเขาลากออกไปแย่เลยผู้หญิงต้องระวังอันตรายกระทั่งไปวัดไปวาก็เชื่อไม่ได้นะแต่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อดูพวกใครมาเกเกยกากาไล่ไปหมดอ่ะนะเคยมีในต้อมเนี่ ว, วันนี้เห็นในต้อมมาเห็นไหอในต้อมบอกว่าบอกหลวงพ่ออำนาจฝากมาถามบอกหลวงพ่ออำนาจฝากมาถามว่าหลวงพ่อประโมททายังไงวัดหลวงพ่อประโมทเรียบร้อย นี่หลวงพ่อก็บอกว่าคนไหนไม่ดีนะหลวงพ่อไล่ออกไปเลย <c oughs> วัดหลวงพ่อก็เรียบร้อยสิ <c oughs> ให้ใครมาเกย์เกกนะกะนั้นผมว่าอยู่ไม่ได้นี่เราไปหลายวัดนะมีปัญหาไว้ใจไม่ได้ไม่ชูไรเคยเตือนไปเตือนเนี่ยไม่ชีนุชจะบวชนะบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าไปเที่ยวนะอย่าไปไว้ใจนะกระทั่งพระมันยังปล้ำเมาได้นะเ อ, อย่าไว้ใจนะต้องระวังตัวเอง เรนต้องระ ม, มัดระวังนี่เราภาวนาที่หลวงพ่อบอกว่าภาวนาของเราสังเกตของเราไปคนเดียวนะเรียนรู้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไปอยู่คนเดียวผู้หญิงไปอยู่คนเดียวไม่ได้ผิดพระวินัยด้วยซ้ําไปภิกษุณีไปอยู่ลําพังไม่ได้นะต้องอยู่วัดที่มีภิกษุด้ว ย, ยงั้นพระพุทธเจ้าก็ห่วงผู้หญิงนะบา <c oughs> งคนนึดว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาผู้หญิงเลยไม่ค่อยอยากให้บวช ผู้หญิงมารวมกันเยอะๆแล้วปัญหาเยอะแต่ผู้ชายรวมกันเยอะปัญหาก็เยอะนะแต่ว่ามันเงียบมันไม่ค่อยพูดผู้หญิงมันไม่พอใจระบายก็เลยดูว่าเรื่องเยอะวัดที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆก็ยุ่งนะบางวัดนั่นก็ไล่พราออกมาเรื่อยๆนะจทีซัดเซมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ผ่านวัดนี้ไม่เอาผ่านวัดนี้มาแล้วถ้าอยู่ไม่ได้นะไม่เอาไม่ได้มาตรฐานละ หมดเวลาแปดโมงเชิญไปทานข้าวไป